5. ช่วยชีวิตสัตว์ถ้าคุณรู้สึกเหมือนผีเข้าผีออกจิตใจสงบเยือกเย็นราวสายน้ำในเวลาหนึ่งแต่อีกเวลาหนึ่งกลับรุ่มร้อนราวลุกเป็นไฟมีความคิดเยี่ยมเกลี่มได้เป็นตรงข้ามกับที่เคยใจดีอย่างนี้ก็อาจชวนให้จินตนาการไปได้ว่าอดิตชาติคุณเคยดุร้ายมามากหรืออาจถึงขั้นเยี่ยมโหด เป็นโจรที่ฆ่าฝันคนไม่มีทางสู้แต่ภายหลังกลับตัวสำนึกผิดและเป็นความรู้สึกที่รุนแรงขนาดเวียงกลับมาเป็นขั้วตรงข้ามอยากช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเองจึงเป็นเหตุให้ระดับสำนึกคิดอ่านสูงพอจะเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้แม้จะยังติดความเยี่ยมโหดมาลึกๆบ้างก็ตาม หากรู้สึกตัวว่าเข้าข่ายนี้ก็ให้คิดต่อว่าคุณหนีนรกอันเป็นบทลงโทษของเกมกรรมมาได้ทีหนึ่งแล้วนับเป็นโชคดีแล้วแต่สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญขณะดำรงชีวิตมนุษย์ก็คือสุขภาพที่อ่อนแอหรือความเจ็บป่วยทรมานเรื้อรังที่ยากจะหาหมอรักษาให้หายขาดแม้วิทยาการทางแพทย์เจริญก้าวหน้าเพียงใด กรมเก่าก็จะส่งอาถรรพ์ลึกลับมาเอาชนะจนได้ต่อให้เจอหมอเทวดาช่วยได้โรคหนึ่งโรคใหม่ก็ปรากฏแทนเฝ้าวนเวียนทำความทุกข์ให้กับคุณจนอยากตายตายไปให้พ้นในเมื่อไม่อยากอยู่ต่ออีกแล้วขอให้ลองใช้ชีวิตที่เหลือน้อยนั้นปลดปล่อยชีวิตอื่นให้รอดตายได้มากๆดูจะคิดว่าเป็นการทดลองครั้งสุดท้าย หรือเพื่อความสบายใจก่อนตายอย่างไรก็แล้วแต่ที่สำคัญคือต้องไม่ใช่แค่ปล่อยนกปล่อยปลาสองสามตัวคุณต้องปล่อยทีทีปล่อยมากๆและปล่อยอย่างต่อเนื่องนานๆกระทั่งเกิดจิตเป็นมหาฐานที่ตั้งมั่นเคยชินกับการไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ไถ่ชีวิตสัตว์แล้วรู้สึกว่าความสุขมันพร่องไปถ้าทาได้ถึงขั้นนั้นพลังชีวิตจานวนมาก ที่รอดพ้นจากการดับสูญจะเข้ามาเสริมพลังชีวิตของคุณให้สดชื่นขึ้นสบายขึ้นบรรเทาจากโรคภัยลึกลับลงได้มากทุกวันมีสัตว์มากมายต้องตายเพื่อเป็นอาหารจุดที่คุณสามารถช่วยพวกมันได้ง่ายหน่อยคือตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์ขอให้ระลึกว่าสัตว์ยิ่งตัวใหญ่มากขึ้นก็ยิ่งมีพลังชีวิตมากขึ้น รักษาศีลการตั้งใจรักษาศีลคือการสร้างมหาทานเพราะการตั้งใจงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นกามที่ละเมื่อสิทธิผู้อื่นงดเว้นถ้อยคาอันเป็นทุจริตและงดเว้นการเสบสุรายาเมานั้นเป็นการกระทาชีวิตให้ปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นยิ่งแม้เขาเคยค้างชำระหนี้คุณมาและเกมกรรม จัดสรรให้คุณมีสิทธิ์ทวงหนี้เขาคืนคุณก็ไม่ทวงอันนั้นแหละจึงกล่าวได้ว่าศีลจัดเป็นมหาฐานอันเยี่ยมขอให้พิจารณาเป็นข้อข้อไปถ้าเจตนางดเว้นค่าสัตว์ที่คุณมีสิทธิ์่าง่ายๆเช่นมดและยุงคุณได้ชื่อว่าใช้หนี้เก่าที่อาจเคยก่อกวนให้ผู้อื่นรำคาญส่วนหนี้ที่มดและยุงทาให้คุณราคาญ คุณก็ยกให้พวกมันไปถ้าเจตนางดเว้นลักทรัพย์ที่คุณมีโอกาสทําได้คุณได้ชื่อว่างดการทําความเสียหายให้แก่ผู้ที่จะต้องเสียหายเหมือนเขาได้รับการยกโทษจากคุณและคุณก็จะไม่ต้องเป็นผู้ติดหนี้ให้เกิดวงจรอุบาทวันหนึ่งเป็นขโมยอีกวันหนึ่งถูกขโมย ถ้าเจตนางดเว้นกามที่ละเมิดสิทธิ์ผัวเขาเมียใครหรือละเมิดสิทธิ์พ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงดูคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ทําเรื่องบาดใจแก่ผู้สมควรโดนกรรมเก่าเล่นงานให้บาดใจและคุณเองก็จะไม่ต้องสร้างนีใหม่จนตกไปอยู่ในฐานะถูกกระทําให้บาดใจด้วยถ้าเจตนางดเว้นการโกหก คุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรถูกหลอกถ้าเจตนางดเว้นคำเสียดแทงใจคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจถ้าเจตนางดเว้นคำหยาบคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ให้คนที่สมควรถูกทิ่มแทงด้วยคำด่าทอถ้าเจตนางดเว้นการพูดเพ่อเจอไร้สติคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ยกประโยชน์ ให้คนที่สมควรมืนงงฟุ้งซ่านจากการฟังคำพูดอันเลื่อนลอยของคุณถ้าเจตนางดเว้นการเสบสุรายาอียามอมเมาให้สติขาดหายทั้งหลายคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่กระทำตนให้เข้าขายบุคคลอันตรายคุณทำความปลอดภัยให้สังคมจากการดำรงตนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน คุณจะไม่เป็นเครื่องมือของเกมกรรมลงโทษผู้สมควรได้รับอันตรายจากคนเมาสุราอาลวาสจบบทที่6ทิ้งท้ายคนหนึ่งถามว่าถือคติไม่มีไม่หนีไม่จ่ายได้หรือเปล่าอีกคนตอบว่าก็กำลังจ่ายอยู่ด้วยการมีชีวิตอย่างนี้ไงมันหนีได้ไหมละ่ะ อีกคำถามว่าถ้าชีวิตคือการใช้หนี้จบชีวิตก็จบหนี้ใช่ไหมตอบว่าก่อนจบชีวิตมักจะสร้างหนี้เพิ่มกันน่ะสิถามต่อไปว่าแบบนี้ถึงต้องมีชีวิตหน้าไว้ใช้หนี้ต่อเหรอตอบคือใช่แล้วอีกควรจึงหัวเราะและบอกว่าไม่เป็นไรชีวิตหน้าเป็นเรื่องของคนอื่นถือว่าให้คนอื่นรับกรรมไปไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้าแล้ว ตอบว่าชีวิตนี้ก็รับกรรมแทนคนอื่นอยู่นะอยากด่าหรืออยากชมคนนั้นล่ะหมายเหตุในที่นี้ก็คือชาติก่อนของเราคนที่แล้วนั่นเอง